ทีนี้ต่อไปนะว่าเพื่อทราบวินิจฉัยในบา ป, ปรกรรมมีปานาปฏิบัติเป็นต้นเนี่ยนะโดยอาการ6ก็คือเอาเรื่องการฆ่าเนี่ยนะมาวินิจฉัยโดยหเรื่อง6กลุ่มก็คือ 1. โดยสภาวะโดยสภาพนะสโดยอารมณ์3โดยเวทนา4โดยมูล5โดยกรรม6โดยผลของกา ร, รนะถ้าหากว่าคนที่รู้เรื่องปานาฏิบาดีเนี่ยต้องตอบคํา ตอบ6ข้ อ, อนี้ได้ว่าโดยสภาวะเนี่ยนะปานาติบาตเป็นอย่างไรโดยอารมณ์เนี่ยปานาติบาตมีอะไรเป็นอารมณ์โดยเวทนาปานาติบาตมีเวทนาเท่าไหร่โดยมูลปานาติบาตมีกี่มูลโดยกรรมปานาติบาตเป็นกรรมอะไรโดยผลของกรรมนั้นปานาติบาตมีผลอย่างไรนะต้องตอบ6คำตอบนี้ได้ถือว่าเป็นผู้พอรู้เรื่องกรรมทางนะพอรู้เรื่องปานาติบาตดี เอาหนึ่งนะโดยสภาพหรือโดยสภาวะปานาติบาตเป็นต้นแม้ทั้งหมดเป็นสภาพของเจตนาอย่างเดียวคือคือกายกรรมไหมสภาวะของเขาได้แก่ตัวเจตนาแต่ถ้าเป็นมนโนกรรมสมมติว่าอภิชาอย่างเงี้ยสภาวะของเขาได้แก่โลภะนะอันคนละสภาวะกันเราเห็นว่าสภาพเนี่ยนะอ่า กับสภาวะนี่นะถ้าสภาวะเนี่ยหมายถึงตัวปรมัต ธ, ธรรมหมายถึงตัวปรามัตธรรมนะหรือองค์ธรรมนะนี่ถือคือเจตนาใช่ไหมแต่เราพอมาใช้คําว่าสภาพเนี่ยคนละเรื่องเลยสภาพไทยไงหมดสภาพเลยแหมเนี่ยร่างกายเช่นี้หมดสภาพเลยแต่ตัวมาวันนี้หมดหมดสภาพนี้นนไม่เกี่ยวหรือกับปรมัตธรรมอะไรเลยนคนไทยใช้คําซึ่งค่อยๆเพี้ยนไปเรื่อยนะเช่นสติอะนะสติสัมปชัญญะเนี่ยนะ มีสติสัมปชัญญะหน่อยนะอย่างเงี้ยนั่นเป็นคําที่พูดเลยไม่ประมาทอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่าประมาทนะขับรถดีๆนะอย่าประมาทอย่างเงี้ยอันไอ้ประมาทของเขาคืออะไรก็ไม่รู้แต่สมัยก่อนเนี่ยไม่ประมาทก็คือเป็นไปกับกุศลท่านจะต้องมีสติอย่างนั้นจึงเชื่อว่าไม่ประมาทอนนอย่างเช่นสติสัมปชัญญะเขาเข้าใจสัมปชัญญะเ็หมวดเลยใช่ไหมเขาเอาสมมุติว่าสาธกสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสปายสัมปชัญญะ อ่ะสัมโมหะสัมปชัญญะเขาตรึกต่อไปเลยในเราก็สัมปชัญญะเหมือนกันรู้สึกตัวทั่วพร้อมเขาว่าไง เ, เขาแปลว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเพราะฉะนั้นพยายามศึกษาให้เข้าถึงอัถรดั่งเดิมของคํานั้นๆถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองก็เอาคมภีร์นั่นแหละนะพระไตรปิฎกอัตถกาถาดีกาท่านให้คํำจำกัดความไว้แล้วละ่ะทีนี้ทําให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าเวลาเราพูดคำใดคําหนึ่งนะพยายามนึกถึงที่มาให้ได้ นึกถึงว่าไอคำที่เราพูดเนี่ยมันพูดเรื่องอะไรแล้วคำนี้จะไปค้นต่อไปได้ที่ไหนจึงจะไม่ชื่อว่าเป็นการกล่าวตู่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพราหมณ์บางท่านเนี่ยเข้าไปถึงว่ า, าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ที่ว่าเนี่ยเป็นจริงไม เ, เป็นจริงแบบนั้นใช่ไหมนะข้าพเจ้าไม่อยากจะกล่าวตูท่านพระสมณะโคดมนะอยากจะพูดตามทำอ่ะที่จริงแล้วมันเป็นยังไงนะ คนสมัยก่อนเนี่ยก็มีหลายคนที่ไปไปทบทวนกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในลักษณะนี้นะของเราก็เหมือนกันเวลาเราศึกษาแล้วก็พยายามนึกถึงที่มาให้ได้วันหลายๆครั้งเนี่ยอ่านเจอนะพระนนเวลาจะแสดงธรรมนะขึ้นต้นท่านจะต้องขึ้นต้นในลักษณะนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็น ผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านะถ้าพระนุนจะแสดงธรรมนะหลังจากที่พระองค์นิพพานแล้วเนี่ยไม่ไม่อยู่ต่อหน้าพระองค์เนี่ยนะจะอ้างเลยสมมติมีใครมาถามปัญหาปั๊บพระนุนจะตอบเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่านะเขาจะอ้างอ้งคำลักษณะนี้ค่อนข้างมากอ่าเพราะว่า พระพระอริยเจ้าในสมัยโบราณเนี่ยท่านเคารพพระพุทธเจ้ามาก น, นะเขาบอกว่าพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติเนี่ยนะเขาบอกว่าแม้ไม่ล่วงละเมิดแม้เพราะเหตุแห่งชีวิต น, นะถ้าถ้าเป็นพระที่ที่ท่านมีคุณธรรมนั่นนะ่ะท่านเคารพพระพุทธเจ้ามากจริงๆเพราะฉะนั้นพระอริยสมัยก่อนเนี่ยท่านเคร่งครัดมากในการในการใช้พยัญชนะว่าพยัญชนะนั้นนะ่ะสำนวนไวยากรณ์ของคำเภีร์กัจยานะนะ กัจยนะมูลเนี่ยหรือมูลกระจายเนี่ยมีอยู่คําหนึ่งว่าชินะวจนะยุตังหิชินะก็คือพระพุทธเจ้าผู้ชนะอะชินะวจนะแปลว่าคําพูดยุตังยุตังเนี่ยแปลว่าสมควรชินะวจนะยุตตังหิถ้อยคําต้องสมควรกับพระพุทธพจน์นะาการใช้ศัพท์บาลีเนี่ยต้องสอดคล้องกับพุทธพจน์ใช่ไหมเพราะฉนนั้ถ้าหากว่าไม่สอดคล้องกับพุทธพจน์คํานั้นตกไปถือว่าใช้ไม่ได้ ถ้าเป็นเป็นสมัยก่อนนี่เขาแข่งครัดเสร็จแล้วเขารักษ า, าตาดแตนาถึงลูกถึงหลานเราได้ไหมของเรานี่ถึงหลานหรือเปล่าไม่ทราบสมไมนี้เราบัญญัติขึ้นใหม่เป็นศัพท์แปลกๆแล้วค้นต่อไปไม่ได้เมื่อค้นต่อไปไม่ได้ปั๊บเนี่ยก็ก็ตันถ้าตันเสร็จแล้วก็ถูกครอบงําทางความคิดแล้วก็ก็ใช้ตามตามกันไปทีนี้ก็เข้ากับกะลามาสูตรเปี๊ยเลยอย่าเชื่อโดยสืบๆกันมา เพราะว่าบ า, บางคำเนี่ยสืบๆกันมาถ้าดีก็ค่อยยังช่วยหน่อยนะถ้าไม่ดีเนี่ยผิดอย่างสมมตินะเขาบอกว่าเข้าพรรษาก็เหมือนเขาเอาเอากรสอบมาให้เข้าอย่างงี้ยคำพูดพวกนี้มันทีมันมีผลต่อคนสมัยใหม่นะอย่างเขาเรียกว่าครองใหญ่อะไรอย่างงี้นเขาบอกว่าเข้าพรรษาแล้วต้องครองใหญ่นะโอเอาเสือเอาหมอนเอาอะไรมาหอบมามัดติดกับตัวครัครองใหญ่บางคนเนี่ยมันเป็นคําพูดล้อเลียนใช่ไหมนี่นคนหลังๆมาเนี่ยก็มาถือๆตามอันมาหรือก็อีกจูดหนึ่งก็เศษทองบะอ่า เห็นสองบาทอ่ะคือคือวินวินัยเนี่ยเขบอกว่าร้าวหนิ้วเนี่ยนะต้องเปลี่ยนบาทใหม่ได้นะทีนี้พระเทระเนี่ยท่านบาด ท, ท่านร้าวท่านก็ส่องอยู่ทุกวันอ่ะมันราวได้ประมาณกี่นิ้วกี่นิ้วอ่ะทีนี้ทีนี้พระองค์ต่อไปเอออาจารย์เนี่ยท่านใดดีเพราะสองบาทนะมั่งเราก็เลยส่องบ้างแต่บาทก็ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยก็เลยส่องอ่ะมันก็ดู น, เ, นเป็นยังไงดูก็ไม่เห็นมีอะไรเลยที่เรียกว่ากัหรืออีกอย่างหนึ่งการสมาทานศีลอ่ะที่เรียกว่า คลายไอ้คลายกระเบนอ่ะนะเขาเรียกว่านุ่งโจงกระเบนอ่ะสมัยก่อนใช่ไหม <c oughs> เวลาจะรับศีลเนี่ยก็ว่าให้ศีลมันเข้าก็ต้องปลดกระเบนออกเพราะงั้นทีนี้ที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรเขาบอกว่าคนแรกที่ทําที่ปลดกระเบนเนี่ยมันนุ่งแล้วมันอึนอดอัดผ้ามันสั้นอ่ะไอ้คนอื่นผ้ายาวก็มาเอาตามบ้างอะ <c oughs> ่ะเขาเรียกว่าทําแบบสืบๆกันมาอย่าไปทําแบบนั้น <c oughs> ซึ่งต้องพยายามสืบสวนอให้มันดีๆหน่อย มันยกนี้กันง่ายลำบาก น, นะลักษณะแบบนี้มีมากไอลักษณะสืบสืบกันมาอย่างนี้เนี่ยมีค่อนข้างมากเลยซึ่งไม่มีโอกาสได้สอบทานเทียบเคียงเลยว่าคําสอนจริงๆว่าไว้อย่างไรเพราะว่าแสดงว่ายุคนี้เราห่างห่างพระรัตนตรัยมากนะเรียกว่าห่างพระพุทธเจ้าห่างพระธรรมและก็ห่างพระพระสงสงคือใครนั่นแหละโคห่างบุตรสี่คู่คน้าเรียงตัวบุรุษได้แปดบุตร นั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านะทําไมท่านจึงดีอย่างนั้นทําไมเราจึงเอาท่านเป็นสารณะอย่างไงเราต้องพยายามทําความเข้าใจกับคําว่าพระสงค์ถ้าเราเข้าใจพระสงค์เราจะเข้าใจพระธรรมด้วยถ้าเราเข้าใจพระธรรมจะเข้าใจพระพุทธเจ้าด้วยเราจะเข้าใจพระพุทธศาสนาด้วยแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่เข้าใจเราจะไม่เข้าใจพระธรรมเลยจะไม่เข้าใจพระสงค์เลยเพราะว่ารัตนสามเนี่ยจะว่าอันเดียวกันก็อันเดียวกันนะจะว่าต่างก็ต่าง เพราะว่าพระรัตนตรัยนะมีอยู่โดยจริงแท้โดยสภาวะประมัตินั่นแหล ะ, ะผู้ที่มีโสผู้ที่มีมรรคผลนี่ก็เป็นปรมาตธรรมใช่ไหมพระธรรมคำสอนก็กล่าวถึงมรรคผลพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่เป็นผู้ได้มรรคผลและชี้เรื่องมรรคผลน่นแลพระอาจารย์เรามีผู้ที่ํำหนิว่า พระอาจารย์เราคือพระอาจารย์สมบัติเนี่ยเป็นผู้ที่ติดในคัมภีติดในพยัญชนะนะติเออเขก็ดีอย่างวันนะครับผพราะว่าก็ดีเพราะว่าสแสดงว่าเขาชมนะเนี่ยเขาไม่ได้ด่าสแสดงว่าเขาชม อ, ะอ่ะเออเขาชมนะเอะเอนนี้พูดจริงๆนะไม่ได้แกล้งเลยเคือสแสดงว่าเราเริ่มพอมีหลักกับเขาบ้างแล้วล่ะไม่สเปสะสปะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเวลา ท่านแสดงธรรมนะถ้าหากว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ตรงกับคำเพียท่านบอกว่าไม่ติดในพยัญชนะท่านว่าพยัญชนะนั้นนะ่ะพึ่งไม่ได้หรอกอมันต้องมัน ต, ต, ต้องใช้อัตถะต้องใช้ท่านเป็นคนแปลเป็นอย่างนั้นทำไมคือมันไม่ใช่ว่าแปลให้มาสอดคล้องกับกับตัวเราเองไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราพยายามสังเกตดูนะกับคําถามที่เคยถามว่า ทำไมปฏิบัติจึงไม่ใช่ทำมังสารนังฆาชามิทำมังสารนังคฆาชามินะทำมังตัวนั้นตัวเนี้ยหมายถึงหมายถึงอะไรหนึ่งพระปริยัติสองอริยมรรตสามอริยพรนิพพานทำไมไม่มีคําว่าปฏิบัติอยู่ด้วยในนั้นเลยใช่ไหมเอางี้นะถ้าถ้าพวกเราทั้งหลายว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติทำกัน คำว่าสารณะหมายเขาว่ายังไงใช่ไหม <c oughs> หนึ่งนะเพราะว่าเป็นสารณะเพราะกําจัดภัยสองเป็นคตินะเป็นเครื่องดําเนินไปในเบื้องหน้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ทําลายทุกข์เป็นผู้จัดแจงประโยชน์เกือ้อกูลแก่เราทั้งหลายเราทั้งหลายตรัสรู้ตามอย่างนี้อันนี้คือลักษณะของการถึงสารณะเออเนี่ยเคือลักษณะของสารณะ นั้นะเราต้องพยายามทบทวนว่าสารณะคืออะไรใช่แต่ก็ถ้าสารณะเข้าใจน้อยเนี่ยนะเราก็ห่างคำสอนน้อยมากเราห่างพระรัตนตรัยมากนะเพราะว่าเบื้องต้นของการเข้าถึงผู้ศาสนาคือการถึงไตรสารณะคมใช่ไหมในคำพีพระตรปิฎกเนี่ยนะพระไปิฎกมีห้านิกายหนึ่ง ทีขณิกายสอง ม, มัชฌิมขณิกายสาสาังยุตติกายสอังคุตรนิกาย5คุถกานิกายคุถกานิกายขึ้นต้นด้วยคำภีคุกะปาทะคำภีคุกะปาทะขึ้นต้นด้วยพุทธังสระนังขฉามิะสอนเรื่องอใจสรณคมวันนะเสร็จใจสระนคมเสร็จสอนศีลหานะศีนหเสร็จค่อยสีนิสิบสัมเนนปัญหาเป็นต้นไปนะค่อยๆจำแนกคำสอนมานะเรียกคำพีคุกะปาทะ การเข้าถึงไตราสารณาคมนั้นเป็นเบื้องต้นนั้นคําว่าสารานั้นถ้าเราเข้าใจน้อยเราจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาน้อยเราจะโทษพระศาสนาไม่ดีไม่ได้เพราะเพราะเราเข้าถึงท่านน้อยเองอนะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรานี่แหละคือคนที่น่าสงสารที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าโอ้โหพระสมบัติเนี่ยเกาะตําราแน่ น, นเลยโอ้แสดงมันมีสาระกับเขาแล้วละ่ะ ไม่เป็นคนป่าคนเถื่อนเหมือนสมัยก่อนนะโอสมัยก่อนเนี่ยนั่งรับตาเทศได้ตั้งหลายชั่วโมงนะว่าไปเรื่อยนึกอะไรได้ก็ว่าไปดูท่าทบบาปแล้วทบบาปไปเยิ่มกันนะห้อยคำมาเองเนี่ยอันนั้เพราะว่าคือคือที่เรียกว่าเราอีกคือเรียกว่าเขาเรียกว่านะเขาเรียกกันอนะนะเขาไอ้ที่วันนี้คือใครก็ยังไม่รู้ต้นตอของคําพูดเนี่ยเขาว่าเราเป็นนักปฏิบัติเขว่ากัน เราก็จะพูดเป็นนักปฏิบัตินะครับ ว, ว่าไปเรื่อยว่าอยู่หลายปีเหมือนกันนะจน <c oughs> ปิดพระไตรปิฎกอยู่หลายปีอะ่ะเพราะว่าที่มาบวชนี่ก็เพราะว่าอ่านหนังสือเทพเรียกว่าปฏิบัตินั่นแหละนั่นแหละนี้เราก็เลยมาศึกษามาเรียนรู้มาแบบนั้นแหละนั่งปฏิบัตินะแช่น้ําก็เอานะเอามาละเนสัตชิกก็ลองก็เขาเอามา่ะนะทุ ด, ดงเราก็ทุดงอมือเดียวก็มือเดียว นะบินบาทได้ยังไงกับฉันอย่างนั้นเหรอเ อ, เอาหมดอนะ ท, ทีนี้ว่านะพอทำเสร็จแล้วนะพอมาศึกษาเข้าจริงๆเอ hey, ที่เราทํานี่มันถูกคำสอนข้อไหนบ้างหาไม่ได้เลยอะพอมาศึกษาเข้าจริงๆเอ๊ะเราปฏิบัติตามสูตรไหนได้บ้างเนี่ยหาไม่ได้เลยทีนี้ถ้าหาว่าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อคาสอนจริงๆนะเราจะบอกว่าคำสอนใช่ไม่ได้ง mm hmm. นั้นไอที่เราปฏิบัติเนี่ยใช้ได้นะ แต่ทีนี้เราก็เห็นความผิดพลาดว่าไอ้สมัยที่ว่าเราปฏิบัติเนี่ยนะศีลเรายังรักษาไม่ได้เลยสมัยก่อนเนี่ยที่เรียกว่าปฏิบัติเนี่ยโอ้ดูดบุหรี่วันละสอ ง, ส อ, งสองกันนะะั่นก็เรียกว่าปฏิบัติแล้วนะแล้วศีลยังทียังรักษาไม่ได้เลยอ่ะจะไปเอาอะไรนักหนาะใช่ไหมเราก็คิดว่าโอ้มีความผิดพลาดร้ายแรงขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วท่านเทศนิย่าดยมเลื่อมใสไหมหน้าดูมันกันท่านนะทำผ้าป่าวกันอนะ่ะ <laughs> ตอนหลังเลยไม่คิดทำาพราะปาอะไรสักอย่างแนมะ่งแ่งก็สมัยก่อนเราเริ่มต้นจากการอ่านตําราของหลวงพ่อทั้งหลาย <c oughs> อโอผมชอบอ่านนะอหลวงพ่อนุงพ่อนี่ชอบ <c oughs> มากเลยแล้วมีอิทธิปาฏิหาริย์เลยในั่นนะรู้สึกว่าพอมาเป็นอย่างนั้นเข้านะพอมาศึกษาธรรมะมากขึ้นนะสงสารตัวเองเลย เริ่มนักศึกษาใหม่ปั๊บเนี่ยนะเราขอศึกษาธรรมะเพื่อชดใช้นี่เก่าที่ปฏิบัติผิดอย่างเดียวนะ น, น, นับใหม่นับหนึ่งตลอดเลยนับหนึ่งตลอดแต่ละวันทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเพิ่งเหมือนกับความรู้สึกเหมือนกับเพิ่งบวชวันนี้แหละไม่ได้รู้สึกว่าโหเราเนี่ยจับเจนอะไรไม่ไม่คิดอย่างนั้นนะคิดเหมือนกับบวชใหม่กําลังเรากําลังทําเพื่อชดใช้ของเก่าเพราะว่าเรามีความถ้าหากว่าคําสอนในพระไตรปิฎกถูกไอ้ที่เราทําเนี่ยมันผิดพลาดมากมามากมากกว่าทูกอะ มันก็เลยพยายามเอาใหม่นะไอ้ที่ผ่านมามันทําแบบไม่มีสารณะว่างนะั้นทําแบบไม่มีที่พึ่งแต่ทีนี้เราก็มาขอเอาทําแบบสารณะเนี่ยเอาตามพระไตรปิฎกนี่แหละถ้าจะตกนรกก็เพราะตกนรกตามคนที่เขียนพระไตรปิฎกนี่แหละแต่ถ้าจะได้ดีก็ได้ดีตามคนที่เอาตามพระไตรปิฎกนี่แหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็บอกว่ากอ็ว่าของเราขอศึกษาตามพระไตรปิฎกนะ เรียว่าอะไรนะชมรมศึกษาพระไตรปิฎกชาวล้านนานั่นแหะนั่นแหละเพราะขอเอาตามพระไตรปิฎกครับคนสมมติคนอื่นๆเนี่ยตอนนี้เขาจะศึกษาอะไรนะของอาตมาไม่รู้สึกตําหนิเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนะไม่รู้สึกว่าโอ้โหเขาเขาทําไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่รู้สึกว่าเราจะตําหนิเขาเลยจะตั้งจิตไว้ว่าเออถ้าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง เท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยนะเข้ามาด้วยบุญของเขาเราเนี่ยไปด้วยกรรมของเราอ่าะกายกรรมวจีกรรมที่เราทําจะประจําวันเนี่ยมีโทษหรือไม่มีโทษถ้าจะให้ผลเนี่ยจะเกิดที่ไหนดีอนะเรียกว่าตอนนี้ค้าบุญค้าบาปเต็มที่แล้วเป็นพ่อค้าแล้วค้ากุศลอย่างเดียวอนะเพราะว่าขึ้นต้นของของเรานะถ้าเจริญสรราตธากสัมปชัญญะประโยชน์ก่อนใช่ไหมประโยชน์ที่ว่าคืออะไร ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพพานพระนะถ้าประโยชน์โลกนี้คืออะไรก็บินทบาตก็พอฉันอยู่แล้วนี่เรียกประโยชน์โลกนี้เสร็จไปแล้วประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งใช่มเพราะนั้นเราได้ประโยชน์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นข้อความในเมตสูตรเนี่ยการณียมัทกุสเละนะยันตังสันตังปัทังอภิสมจะเนี่ยการณียะนี่ก็คือกิจนั่นเองอัถฐกุสเละนะการณียมัทกุสเลก็คืออัถฐก็คือประโยชน์ กุสเลเนี่ยแปลว่าฉลาดกุลบรผู้ฉลาดในประโยชน์ปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบทพึงบำเพ็ญไตรสิกขากุลบรนั้นพึงเป็นผู้อาจหารเป็นผู้ตรงซื้อตรงว่า ง, ง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งสันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย และไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรๆซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เหล่าอื่นติเตียนได้ดังนั้นคำสอนว่าไว้อย่างนั้นนะังนั้นถ้าเราคลาดเคลื่อนอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่าเราเราเองก็ไม่ได้เคารมในในพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเราคิดอีกในหนึ่งนะถ้าสมมติว่าในสมณเพศเนี่ยปัจจัยสี่ที่เราบริโภคเพราะพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเอาไว้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ทรงอนุญาตไว้ว่าเออพิสูจทั้งหลายเธอจงทานานะอย่างเงี้ยนามดเลยนะ ต้องไปทํานาเหมือนเรานั่นแหละแต่ว่าพระองค์บอกว่าอาสมณะเขาบิณฑบาตนะอะไรเงี้ยพระองค์ก็สอนไปตามนะเพราะฉนั้นชีวิตเรียกว่าการกล่าวว่าพุดทางสารานังข้าสามีก็เท่ากับเป็นการมอบกายถวายชีวิตแล้วใช่ไหมว่าการถึงไตรสารณคมมีกี่อย่างอ่ะนะการถึงไตรสารณคมมีสี่อย่างใช่หมหนึ่งการมอบกายถวายตนสองความมีพระตัตนะตรา ย, ตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้า สาการเข้าถึงความเป็นสิทธ์ ส, สี่การนอบน้อมอย่างยิ่งแล้วเราเนี่ยอยู่ในข้อไหนหนึ่งในสีเนี่ย น, นะมอบกายถวายตนก็ยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมการพลีชีพเพื่อพระพุทธเจ้าเป็นต้นเราไม่ต้องไปตายแทนพระองค์อะไรหรอกพลีชีพก็คือว่าพระองค์ว่ายังไงก็ทําตามนั่นแหละอะนั่นแหละก็เรียกว่าพลีชีพแล้วล่ะก็ทำตามที่พระองค์ว่านั่นแหละนะก็คือการมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระรัตนตรยัยใช่ไหม อย่างข้อสองก็คือมีพระรัตนตรัยเป็ น, ป น, นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็คือว่าจะทําอะไรขอพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงพระธรรมว่ายังไงพระสงฆ์ว่ายังไงขอปฏิบัติตามท่านอ่ะอันนี้เรียกว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะคือคือถ้าเป็นถ้าเป็นโบราณนะเป็นโบราณนี่เวลาเขาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจ ะ, ะคล้ายๆพิธีบวงสวงเส้นสวงอะไรเขาจะทำอะไรตั้งไว้ข้างหน้าก่อนใช่ไหม อ่าเรียกว่ายครูสัก่อนอครูว่ายังไงก็ว่ า, ง ไ, งวาไปตามครูนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราจะทําอะไรพระพุทธเจ้าว่ายังไงเพระพเาะฉะนั้นประเพณีโ บ, โบราณเขาเรียกว่าเวลาจะทําอะไรก็นโม ต, ตัสสะภควะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธะนะอันนะนะคนโบราณจริงๆเนี่ยเวลาจะทําอะไรเนี่ยนั้งนโมขึ้นก่อนแสดงว่า ค, คือคือแบบฟอร์มเนี่ยใช่เลยอ่ะแต่ปฏิบัติไม่รู้นะว่าแบบฟอร์มเนี่ยเขาเอาพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าจริงๆ นะว่าโบราณเข้าทําให้ดีเหนือนี่เปนเจนพาอีสานก็เหมือนกันเหนือก็อเหมือนคำโมสังโคนิดคล่องติดปากเลยเจนพานแล้เกิดเหตุอะไหนึ่งใช่ไหมเป็นเป็นคําอุทานอย่างหนึ่งเจนพาพูดโทธรมโมสังโคนี่ยยาวซะด้วยนะพูดพูดด้วยความเคารพอ่ะนะอเคเรียกว่าพวกนี้เนี่ยฝึกลักษณะกรรมม์อารมณ์ให้เคเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์อ่ะนะ พยายามนึกถึงนิมิต ท, ที่ดีเอาไว้เนไะเ<ม>พราะว่าเหตุการณ์ขับขันอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยรู้ไหมว่าอาจจะจุติในเหตุการณ์นั้นๆได้<ม>อย่างน้อยที่สุดใช่ไหมใจเนี่ยนึกถึงพระรัตนตรายในขณะนั้นก็ไปดีมสมัยก่อนเนี่ยต้นเขาเขาทาไม่ดีมากเลยนะ<ม>เพื่อเรื่องกรรมกรรมนิมิตพตินิมิตเนี่ยสมัยก่อนเขาเข้าใจแต่ว่าสมัยนี้เขาเรียกว่าประเพณีอันเดิมเดิมนั้นเนี่ยก็หายไปแล้วค่อยๆเรือนรางอย่างเช่นความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐเนี่ยก็ตก อ, อกเลยใช่ไหม นี่แหละคือตัวไม่มีโรคอ่ะแต่ว่าที่จริงแล้วต้นเข้าเดิมคําว่าไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐหมายถึงกิเลสพระนิพพานอันนั้ไม่มีโรคคือกิเลสนะผู้ที่ได้เข้าถึงมรรคผลนั่นแหละเรียกว่าไม่มีโรคแต่ว่าตอนหลังอะโรขยาปรมาราพ า, าไว้เปิดร้านขยาที่กล่าวอย่างนี้เนี่ย เ, เพื่อว่าว่าเราเนี่ยมีอะไรเป็นสารณะจริงๆอันนเรามีอะไรเป็นสารณะเรามีอะไรเป็นที่พึ่ง อัน ใ, นในชีวิตซึ่งในยุคนี้นะการตายเนี่ยมันรู้สึกมันง่ายเหลือเกินนะจุติเนี่ยง่ายมากหัวเราะร้องไห้เบ้านยังถล่มเลยอนอนอยู่ยังมีคนมาแก่งตึกเลยใช่ไหมล้มครื่นลงไปขนาดกินเลี้ยงอยู่ในโรงแรมใช่ไหมยังหล่นหวบลงมานะคอนกรีตยังคับเลยเหมือนที่โคราชใช่ไหมเหมือนที่หลายๆจังหวัดอยู่ๆไฟไหมพ้พลึบขึ้นมาถามาว่าอะไรแน่นอน อยู่บนถนนปั๊บเนี่ยถ้าแก๊สรบิดอะไรจะเกิดขึ้นนั้นชีวิตความปลอดภัยเราไม่มีเลยเราดูเหมือนจะอมาตะนะคนตายวันละแสนสองแสนเรายังเฉยเลยนะไม่ใช่เรานั่นแหละพอ เ, เรียกว่าไม่ไม่น้อมมาพิจารณาหรือไม่เจริญมรณานุสติว่าสังสารวัฏเนี่ยมีภัยรอบด้านเมื่อมีภัยรอบด้านอย่างนี้เนี่ยอะไรคือที่พึ่งของเราอะไรเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของเร า, นะาศาสนาอื่นเขาก็มั่นคงในาศาสดาของเขา แต่ของเราเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาเราเอาอะไรเป็นหลักมาแน่เอาอะไรเป็นสาระเอาอะไรเป็นที่พึ่งเอาอะไรเป็นที่ยึดถือวันก่อนไปที่รา้านหนังสือน ะ, อะมีหนังสือเล่มหนึ่งเขาเขาทำภาพของการศึกษาของศาสนาแต่ละศาสนาเป็นฝรั่งเขาเขียนขึ้นมาเขารวบรวมวิธีการศึกษาของหลายศาสนาะนะทุกศาสนาอย่างเช่นอิสลามเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าศาสนาซิกศาสนาอะไรเนี่ย บ า, บางแห่งเนี่ยเอาคัมภีร์เนี่ยมาตั้งบนต่างทองนะเ <c oughs> สร็จแล้วอ่านอันเด็กๆชาวมุสลิมเนี่ยเล็กๆนะพออ่านหนังสือออกเนี่ยทุกคนเนี่ยมีคัมภีร์ในมือหมดนะเขามีคัมภีร์ในมือเลยอ่นะเขามีความรู้ความเข้าใจชัดเจนแต่ว่าพุทธศาสนาของเรานะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพูดทีคณิกายไว้สามสูตรมัชชิมนิกายไว้ร้อยห้าสสอูตรสังยุตตนิกาย7จ็ดพันร้อกว่าสูตรอังคุตรนิกาย9 00ากว่าสูตร คูตากานฑิกายสิบห้ากัมพีจำสูตรไหนได้ไมั้งจำได้สักสูตรรึเปล่าะอิติปิโสภควาเออร์ น, นี่ก็พร้อมเตือบสูตรหนึ่งแล้ <c oughs> อ่ะออติปิโสภควานี่ก็ยังไม่รู้ว่าท่านว่าอะไรของท่านใช่ไหมพอเข้าใจเต็มที่ไหมอะรหังหมายหมายเขาว่ายังไงอรหังมีกี่ความหมายนะอะรหังเนี่ยส่วนทั่วไปมีห้าความหมายอันนะในชั้นรายละเอียดท่านขยายออกมาอีกเป็นห้าก็คือสิบ 10ก็ความหมายเช่นอรหังคือไกลจากกิเลสกำจัดค่าศึกคือกิเลสหักซีกรรมแห่งสังสารจักรเป็นผู้ไม่มีบาปในที่ลับหรือว่าไม่ทำบาปในที่ลับเป็นผู้ควรแก่สักการะหรือปัจจัยสี่ที่เขานำไปบูชานี่คืออรหังสั ม, มาสัมพุทโธหมายความว่ายังไงราสรูอริยสัจขอบเพตอริยสัจขนาดไหนอะไรเป็นอริยสัจบ้างทุกสมุทัยนิโรธมรรค แล้วมีวิธีการขยายพิสดารขนาดไหนอีกในคําว่าตรัสรู้อริยรนะสัจนะสามมาสามพุโทโธตรัสรู้อริยสัจด้วยพระองค์ท่านเองวิชาจารณะสามปันโนเนี่ยท่านมีวิชาอะไรบ้างพระพุทธเจ้ า, นะ า, าวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าเรียกว่าจารณะสามปันโนถึงพร้อมด้วยจารณะสุขโตสเสด็จไปดีแล้วท่านไปไหนใช่ไหมโลกาวิทูรู้แจ้งโลกโลกมีกี่อย่างอนุตตรโอปุริธรรมสารทีเนี่ย อนุตรโรเนี่ยแปลว่าไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าพราะองค์เนี่ยเลิศ ก, กว่าคนทั่วไปโดยอะไรบ้างปุริสธรรมสารถิพระองค์เนี่ยเ ป, เป็นผู้ฝึกสารถิที่ควรฝึกพระองค์ฝึกยังไงนะแล้วเราเนี่ยอยู่ในประเภทที่ให้พระพุทธเจ้าฝึกไหมนะศรัทธาเทวะมนุษสานังเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ท่านสอนอะไรบ้างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนอะไรบ้าง นะถ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ถ้าเราเป็นสิทธิ์ท่านเราต้องจําคําสอนของท่านได้นะท่านสอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ข้อไหนนะสาถาเทวมนุษสานางพุทโธพุทโธหมายความว่าอย่างไรนะเชื่อว่าพุทธะนะเพราะว่าผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งสี่ใช่ไหมหรือว่า คำว่าพุทธาก็คือผู้ปราศจากความหลับคือกิเลสเนี่ยโดยอัฏถานะแต่โดยพยัญชนะคืออะไรโดยพยัญชนะเนี่ยพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณความดีเกินมูสัตว์ที่คนทั้งหลายรู้จักกันทั่วแล้วว่าพุทโธไม้เอาพะระขันธสันดานที่ทรงอบรมแล้วด้วยการบรรลุวิโมกอันยอดเยี่ยมมีพยานในธรรมะทั้งมวลที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้เป็นนิมิต หรือการบรรลุสัจจยานมีสัพพัญญุตยานเป็นประทัดฐานนี่คือโดยพยัญชนะของคาว่าพุโทโธนะความหมายของคาว่าพุโทโธนะหรือว่าโดยความหมายคาว่าพุโทโธก็คืออย่างหนึ่งใช่โดยพยัญชนะว่าท่านผู้มีความรู้มีความตื่นปราศจากความหลับคือกิเลสพร้อมทั้งวาสนาโดยส่วนเดียว องละกิเลสละวาสนาได้สิ้นเชิงนะคือถ้าหากว่าเรามากล่าวอย่างนี้ทําให้เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมว่าใครเจริญพุทธคุณมากนะเขาบอกว่าดูก่อนมหานามะอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอนุสติที่พระพุทธเจ้าสอนพระมหานามะใช่ไหมอันนัในในกรรมฐานะสอนพระมหานามะว่าอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ ตามรละลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือหนึ่งคำว่าพุทโธนะเอาไปตรึกเอาไปคิดตามไประลึกนึกถึกถึงคุณเหล่านี้นัเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในในพุทธคุณมากเท่าไหร่เราก็จะเข้าใจในพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าทําไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> อยู่ใกล้ๆวัด